จงมาดลบรรดาลให้ใจของข้าพเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธพุทโธพุทโธ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 ที่ว่าทำให้เกิดโทษนั้นก็คือว่านำสมาธิไปใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์เหมือน ก, นกันกับเงินที่เราได้มาถ้าเราไปใช้ในทางผิดจ้างไปฆ่าคนหรือจ้างไปทำ้ายหรือเอาเงินไปทำให้เกิดความ ตำสูงอะไรต่างๆเงินก็ไม่มีประโยชน์ให้โทษแล้วก็ให้โทษติดคุกติดตารางให้โทษตกนรกหมกไม่ไปเลยแต่ถ้าหากว่าเอาไปทำสังคมสงเคราะห์แชรียความสุขของตนเพื่อบุคคลผู้อื่นด้วยการเอาเงินของเราไปทำก็เป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ สามารถที่จะเหนียวนวลเหนี่ยนว น, ยน้ำใจบุคคลผู้อื่นสามารถที่จะมีบริษัทบริวารสามารถที่จะทำความสุขจากบุคคลหนึ่งแปลงอะไรลอยหาพันหา0มื่นหาแสนนั่นคือการใช้ให้เป็นประโยชน์แม้การทำสมาธิก็เป็นข้อเปรียบเทียบอันเดียวกัน สมาธินั้นเป็นประดยชน์จเงินหรือเรียกว่าอริยรัพย์อริยสัพพ์ชิ้นนี้เป็นอริยสัพย์ที่ทุกคนสามารถสร้างขึ้นมาให้แก่ตนได้แต่การที่จะสร้างอริยสัพย์ชิ้นนี้ขึ้นมาให้แก่ตัวของเราและเก็บไว้ที่ใดนั้นเราจะต้องเป็นผู้ที่รู้เอง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 สะสมไปเท่าไหร่ก็กลายเป็นวา ส, สนากลายเป็นบารมีกลายเป็นพลรรังจิตสืบเนื่องหรือเรียกว่าต่อเนื่องเช่นท่านพระสาวัท่านบำเพ็ญนาอักสาวกคบำเพ็ญสี่แ ส, สนกับเทพพุทธเจ้าบำเพ็ญสีอสงไขยแสนกับสาวกธรรมดาบำเพ็ญสองแสนกับเป็นต้น คำว่ากลับกับหรือเรียกว่าเราว่ากับกันนั้นก็เป็นระยะอันยาวนานสมาธิที่ท่านทำมาจนเป็นนิสเป็นนิ ส, สัยเป็นปัจจัยเป็นบารมีเพื่อที่จะไปสู่จุดที่หมายปลายทางเมื่อบุคคลผู้ที่สะสมสมาธิในทางที่ผิด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 ความไม่เข้าใจข้อแท็จจริงของคำสอนของพระพุทธศาสนาเพราะว่าในคำสอนของพระพุทธศาสนานี้ก็มีบางตอนที่พวกพราหมณ์นำเข้ามาใช้แล้วก็ปะกลกันไปเพราะฉะนั้นบางทีผู้ที่ทำสมาธิก็คิดอยากได้ฤทธเดชบางทีผู้ทําสมาธิ ก็อยากจะได้ยานได้ฌานบางสิ่งบางอย่างเอามาประกอบเป็นอาชีพเป็นต้นว่านำสมาธิเหล่านั้นไปดูสิ่งเง้นบ้างไปดูหมอดูอะไรสัพพัทหรือว่าชักชวนกันทําให้เกิดคิ์เกิดเดชวิธีการด้วยประการต่างๆสิ่งเหล่านี้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 แล้วเอาเท้าของเอานิ้วเท้าของท่านขี้ผินซึ่งก้อนใหญ่เบอ้อผู้คนก็พากันตกอตกใจแต่การที่พระโมคคันลาและพระปิณโดภาลัพทวาชที่ท่านแสดงปฏิหารครั้งนั้นก็มีเหตุคือมีเศรษฐีคนหนึ่งไม่รู้ว่าใครเป็นพระอรหันต์กันแน่ ก็เลยเอาบาทนี่ไปแขวนไว้บนยอดไม้ไผ่สูงได้หกสิบศอกใครเป็นพระอาหารหันต์ก็มาเอาไปก็แล้วกันพระโมกคันลาและพระปิณโดภารัตถวาชะท่านก็เลยเหาะมาเพราะเศรษฐีประกันไว้ว่าเจ็ดวันถ้าไม่ถึงเจ็ดวันนั้นถ้าเลยเจ็ดวันไปนั้นเศรษฐีก็จะเข้าใจว่าพระอาหารหันต์ไม่มีในโลก มะโมคคันลานะและพระปิโดภารัถวาชะกลัวเศรษฐีจะเข้าใจผิดจึงห่อมาเอาบัตรพระพุทธองค์ทรงพพทราบพระองค์ก็ได้ทรงบัญญัติว่าภิกษุใดทำปาฏิหาริย์ปรักเป็นอาบัติถ้าฉะนั้นโทษของการที่ทำสมาธิก็มีแค่นี้หรือว่า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 เมื่อเข้าใจตัวเองผิดก็เป็นสมถุปกิเลสถ้าเข้าใจผิดไปถึงขั้นวิปัสนาก็เรียกว่าวิปัสโนปกิเลสสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันตกกลายเป็นการพอกิเลสขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งทําไมจึงพอกิเลสขึ้นมาเพราะความสําคัญผิด เมื่อสำคัญผิดแล้วตัวเราเป็นผู้สำคัญตัวเราผิดก็เลยเกิดเข้าใจว่าตัวเรานี่ดีกว่าคนอื่นใครๆก็สู้เราไม่ได้ถ้าเราได้สำเร็จแล้วทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่ได้สำเร็จบางทีเกิดวิปสนูปกิเลสก็เข้าใจว่าได้สำเร็จทั้งๆ ท, ท, ที่ตัวก็ไม่ได้สำเร็จแล้วก็ถือมานะทิฏฐิ ถือมากเข้าจนกระทั่งเป็นคารวาดให้พระก่าบอย่างนี้เพราะว่าพระนั่นเป็นปุถุชนแต่คารวาดนั่นเป็นพระอริยะบุคคลเสรแล้วก็ให้พระกราบไปซะเชื้อโทษกันใหญ่ก็ด้วยเหตุความเข้าใจผิดนั้นเพราะฉะนั้นการที่พวกเราปฏิบัติในทางสมาธิ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 เพราะฉะนั้นในมัคแปดท่านแสดงว่าสัมมาสมาธิเป็นข้อสุดท้ายสัมมาส ม, มาธิในองค์มัคนั้นท่านระดับเอาเพียงแค่จะตุทไทฌานคือฌานที่สี่ปฐมฌานทุติยชฌานตติยชฌานและจะตุทไชฌานเมื่อถึงจะตุทไทฌาน ก็เป็นอันว่าพอแล้วไม่จำเป็นต้องทำให้มากไปกว่านั้นเรื่องของสมาธิถ้าหากว่าทำมากเกินไปเป็นเรื่องสมาธินั้น mm. ก็จะกลับกลายไปเป็นพวกพรหมพวกพรหมนั้นมีอายุยาวเหลือเกินแต่ว่ายังต้องมาเกิดอีกเสียเวลา ยิ่งไปเกิดในอสัน ญ, ญีพศอาัน ญ, ญีพบนั่นอายุเป็นกับเมื่อไปเกิดในอสัน ญ, ญีพบแล้วต้องไปเสียเวลาเสวยสุขสบายอยู่นั่นอีกนานเพราะฉะนั้นท่านผู้เป็นพระโพธิสัตว์ท่านจะไม่ไปเกิดในอสัน ญ, ญีพศเพราะว่า อยู่ที่นั่นนานเหนือเกินการเป็นอสัญญีภพนั่นก็คือผู้ที่ทำจิตเข้าไปอยู่ในลักษณะนั่นที่เกินกว่าจะตุถิชานแต่ไปเป็นอรูปฌปานเมื่อเข้าไปถึงที่นั่นแล้วไม่มีสัญญาอะไรทั้งสิ้นเงีเยบชิดไปเลยหมดความรู้สึก แม้กระทั่งฟ้าผ่าก็ไม่ได้จินแม้กระทั่งเอาเข็นไปแทงยังไม่รู้สึกเลย น, นั่นแค่เรียกว่าอาสัญญีสัตาถ้าทำอย่างนั้นแต่ถึงเวลาตายไปก็ต้องไปเกิดในอสัญญีพบดังนั้นการทำสมาธิเราจะต้องรู้ว่าการทำสมาธินี้คือปัจจัย เป็นปัจจัยส่วนที่เรียกว่าสมาธินิเทศเป็นนิเทศหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนของกองกำลังหรือเรียกว่ากองกาลังบำรุงการที่จะไปรบทัพจับศึกให้ได้รับชัยชนะจำเป็นต้องมีกองกำลัง ถ้าไม่มีกองกําลังนั้นเราจะใช้อะไรไปรบก็มีแต่ความประราชัยไพ่แพ้แต่ถ้ามีกองกําลังสมบูรณ์แล้วการที่จะไปรบทัพจับศึกนั้นก็ได้รับชัยชนะฉันใดกําลังของสมาธินั้นก็เป็นเพียงกําลังเพื่อที่จะเข้าไปรบให้ได้ชัยชนะ แต่กิเลสแต่ว่าการที่ทำสมาธินั้นเพื่อที่จะบำรุงหรือเรียกว่าเพิ่มพูนพลังการเพิ่มพูนพลังนั้นเราต้องใช้การใช้เวลาบำรุงพลังหรือเตรียมพลังไปเรื่อยๆเรียกว่าสะสมกาลัง เมื่อการสะสมกำลังนั้นมันขาดตกบกพ่องผิดตรงใดเราจำเป็นจะต้องศึกษาหาความรู้เพราะสมาธินั้นมีสิ่งต่างๆเยอะแยะอยู่ภายในสมาธินั้นและในสมาธินั้นก็มีสิ่งที่ให้ความสุขความสบายอยีกมากมายในสมาธินั้น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 เมื่อเรียนจบจงกระทั่งเรียกว่าเป็นจบด็อกเตอร์หรืออะไรขั้นที่สุดจะเป็นวิชาใดวิชาหนึ่งก็ได้ในที่สุดเขาจะเอาวิชาอันนั้นออกจำหน่ายคือออกกระจายไปเพื่อทำงานตลอดชีวิตของเขาวิชานั้นก็ไม่ได้หมดไปแต่ว่างานต่างๆมันเกิดความสำเร็จขึ้น ทั้งๆวิชาเหล่านั้นก็ยังอยู่ในปกติเขาจะทำวิชาใดวิชาหนึ่งก็ได้แล้วก็นำเอาความรู้อันนั้นออกและจัดกระจายกระทำไปตามเหตุและผลหน้าที่หน้าที่นั้นก็กลายเป็นเรื่องสำเร็จเป็นขั้นตอนแต่ว่าส่วนทุนที่เป็นด็อกเตอร์นั้นไม่ได้หมดไป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 ขั้นสมาธินั้นตัวพูดที่กระทำนั้นจะต้องรู้ตัวเองเหมือนกันกับพูดที่ได้สำเร็จปริญญานี้เขารู้สอบได้แล้วขั้นหนึ่งสอบได้แล้วขั้นสองสอบได้แล้วขั้นสามเขาสอบได้เมื่อเวลาเปรียบเทียบเหมือนกันกับที่เราสอบของเรื่องสมาธินี่มันมีขั้นและเรียกว่าขั้น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 จะต้องมีการกระทาที่เรียกว่าทดสอบพราฉะนั้นในการที่จะรู้จักว่าเขาสำเร็จด็อกเตอร์ได้ก็เพราะเขาสอบมีคณะกรรมการมีผู้ที่ ท, ทรงคุณวุฒิให้คะแนนแล้วแหละสอบสำเร็จการที่จะทวนกระแส จ, จิตมาถึงที่ตั้งของจิตนั้น ก็มีคณะกรรมการเหมือนกันแต่คณะกรรมการในที่นี้คือผู้ที่รู้และผู้ที่เห็นผู้ที่จะทดสอบนั่นเช่นเมื่อกระทำจิตถึงขั้นนี้ก็ตั้งร่างกายขึ้นมาจะเป็นรูปใครก็ได้จะเป็นรูปหญิงรูปชายจะเป็นรูปคนที่รู้จักไม่รู้จักก็ได้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 ที่ร่างกายที่เอามาตั้งไว้ข้างหน้าเนี่ยใครเป็นพลเห็นทวนกระแสมาในที่สุดถึงที่สุดนั้นจิตนี้จะทวนกระแสขึ้นมาเองเจอตัวผู้เห็นถ้ามาเจอตัวผู้นี้ได้เมื่อไรเมื่อนั้นผู้นั้นก็จะเป็นผู้ที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 เขารยกว่าผิดธรรมชาติผิดวิสัยเขาสำเร็จทีเดียวก็ได้ประกาศมีบัติมาแล้วผู้ที่ทวนกระแสจิตมาถึงที่ตั้งของจิตนั้นก็จะปรากฏขึ้นในปรากฏขึ้นในขณะเดียวแล้วก็แล้วกันนะไม่ต้องปรากฏอีกแล้ว ควรกระแสะจิตมาถึงที่ตั้งของจิตได้เมื่อไรเมื่อนั้นเขาก็จะรองอ่อว่าอยู่นี่เองหรือนั่นแหละคือคณะกรรมการตัดสินโดยเด็ดขาดเมื่อไปถึงขั้นนั้นแล้วบุคคลผู้นั้นก็จะไม่มีการเสื่อมสิ้นหรือเรียกว่าเสื่อมเสีย จะทำยังไงจะทำยังไงก็เสียหายไปไม่ได้เพราะเข้าถึงความสำเร็จในหลักของขั้นสำคัญการที่จะร้องพ่อได้นั้นน่ะว่าอยู่ที่นี่เองหรอกหรืออันนี้เรียกว่าเป็นคำอุทธธานดังเล่าที่เคยได้ยินพระพุทธเจ้าที่พระองค์สำเร็จพระองค์ก็ได้อุทธธานออกมา หรืออย่างที่ท่านพระอัญญากนทัญญะนี่ยท่านก็อุทานออกมาพระพุทธเจ้าก็อุทานออกมาว่าอัญยาซีวัตถะโกนทันโยอัญญาซีวัตถะโกนันโยติโกนทัญญะรู้แล้วหนอโกนทัญญะรู้แล้วหนอแต่อันนี้ไม่ใช่เรื่องของพระอริยะบุคคล ในการทวนกระแสจิตมาถึงที่ตั้งของจิตนี้ไม่ใช่อริยะบุคคลแต่ว่าเป็นสมถะที่สมบูรณ์สาเร็จขั้นสมถะที่สมบูรณ์เรียกว่ามีความสมบูรณ์ที่สุดเรื่องของสมถะเท่านั้นเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ที่สามารถทวนกระแส จ, จิตมาถึงที่ตั้งของจิตได้นี้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 ที่จะทำบุคคลให้เป็นรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีหรือเป็นอธิบดีหรือเป็นผู้ใดก็าตามอันนั้นถือว่าเป็นความสำเร็จถ้าเปรียบเทียบก็เรียกว่าสำเร็จเป็นอริยะบุคคลแต่ว่าการที่จะสำเร็จเป็นอริยะบุคคลนั้นเหมือนกับที่เขาได้ด็อกเตอร์เขาต้องใช้เวลา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 อันนี้พูดนี่นั่นเป็นข้อเปรียบเทียบให้เข้าใจเข้าใจว่าการที่บุคคลทวนกระแส จ, จิตนาถึงที่ตั้งของจิตนั้นถือว่าเป็นผู้ดีได้สำเร็จเปรียบประดุษก็เรียกว่าสำเร็จขั้นด็อกเตอร์ยังมีสิ่งที่เขาจะต้องทำอีกมากคือเข้าสู่วิปัสสนา หรือเข้าสู่ปัญญาอันีเรียกว่าอริยสัจซึ่งก็จะต้องทมอีกมากมายเหลือเกินเนี่ยกว่าอีกมากมายนักที่กว่าจะจับเข้าไปสู่ความเป็นอริยะหรือเรียกว่าจิตที่เข้าไปสู่สัจธรรมเนียกว่าอริยะนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะ หาหนาทางใดอยากจะไปเป็นใหญ่เป็นโตก็บเขาก็ต้องรับราชการไปตั้งแต่ชั้นเล็กๆ เ, เป็นคนตำรวจเป็นข้าราชการธรรมดาไปอย่างนี้ว่าที่จะขึ้นสำเร็จขั้นสูงสุดนั้นก็แทบจะฝันไม่เห็นอันนั้นก็เรียกว่าคุณไม่พอ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 แต่อย่างไรก็ตามเรื่องของสมาธินั้นนั้นก็จะไปเปรียบเทียบเหมือนโลกภายนอกทีเดียวก็ไม่ไปได้พราสมาธิเป็นเรื่องของการสะสมกำลังสะสมกันไปเรื่อยอย่างท่านาผู้ที่ได้สาเร็จนี่ท่านสะสมมาเท่าไหร่จะเรียวกว่าทามาอย่าง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 สององค์ก็ไม่ยอมฉันในที่สุดสององก็ตายบนหน้าผานั่นจนได้และความที่ท่านได้ทำมานั่นองค์หนึ่งได้เป็นพระพาหิยะองค์หนึ่งได้เป็นพระกุมากระตศกก็ได้สาเร็จพระอรหันต์ทั้งคู่ในศาสนาของพระพุทธ เ, ทเจ้าเราเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่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 ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนทำยังไงจิตของเราถึงจะปรากฏสิ่งนั้นขึ้นมาในจิตได้อันนั้นก็เป็นวิปัสสนาเป็นส่วนที่จะทําให้เรามีนิสัยปัจจัยในทางที่เป็นพระพุทธศาสนาถ้าหากว่าเราไม่มีทุกขังอนิจจงอนัตตาไว้ในจิตของเรานี่ เราก็จะไปทางโลกีซะสุดตัวเลยเรียกว่าไปทางโลกียัญชันสุดตัวถ้าไปโลกียัญชันสุดตัวนั่นก็ไปเป็นพวกลือสีต่อไปเราจะเกิดล้วก็ไปไปเป็นจาพวกลือีไปซะเลยนั่นก็นั่นนานไปอีกไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนละนานจนกระทั่งไม่รู้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 อันนี้ก็โอกาสที่เราจะพบพระพุทธเจ้าหรือโอกาสพระพุทธศาสนานั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ในระยะเวลาอันไม่นานนักแต่ในขณะที่เราใช้วิปัสสนานั้นเราก็อาจจะสามารถทำจิตของเราให้พ้นกิเลสได้ในชาตินี้ก็ได้ถ้าหากว่าเป็นไปได้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 เป็นผู้ที่เข้าใจดีในการเข้าใจดีก็คือเป็นพุทธศาสนกที่ดีที่สุด mm hmm. เมื่อเราเป็นพุทธบริษัทพุทธบริษัทนี่แหละที่เราจะได้ mm hmm. มีจิตอันที่เรียกว่าพระนิพพานพระนิพพานนั้นคือเป็นสิ่งที่หมดข้องความกังวล